ก้าวล่วงป็โลกเสีแล้วพระพุทธภาสิตเอกธรรมตีตัสสะมูซาวาดิสยันตุโนวิธินเนตระโลกัสะนาถีป่าปังอาการิยังแปลความว่าบุคคลผู้ร่วมทรรมอันเอกเสร็แล้วมีปกติพูดเท็จมีประโลกอันข้ามเสร็จแล้วจะไม่ทําบาปเป็นไม่มีอธิบายความ ทำมันเอกในที่นี้ท่านหมายเอาสัจจะหมายความว่าคนไม่มีสัจจะมักพูดเท็จท่านว่าคนใดพูดสิบคาจะหาจริงสักคาหนึ่งก็ไม่ได้คนนั้นชื่อว่ามักพูดเท็จข้อว่ามีประโลภอันข้ามเสียแล้วนั้นคือไม่เชื่อเรื่องโลกหน้าบุคคลไม่มีสัจจะมักพูดเท็จและไม่เชื่อเรื่องโลกหน้าจะไม่ทําบาปเป็นไม่มีสัจจะในที่นี้ท่านหมายเอาสัจวาจาคือความจริงทางวาจา หมายความว่าพูดจริงอย่างไรก็ตามคําจริงที่นักปราชญ์ท่านสองเสริมนั้นต้องเป็นความจริงที่มีประโยชน์และถูกต้องตามธนองครองธรรมดังภาษามมาาตตตาิตว่าสัจเจอัเนธจะทำเมจะอาหารสั้นตปฏิทิตาสัตบุรุษทั้งหลายตั้งอยู่ในสัจจะที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรมคือถูกต้องดังนั้นสัจจะที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ใครและไม่ถูกต้องแม้จะจริง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 การพูดเทศที่มีโทษมากทั้งทางโลกและทางธรรมก็คือการพูดเท็จที่หักการประโยชน์ผู้อื่นใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่นยกย่องตนเกินความจริงคนสมัยโบราณถือสั จ, จวาจาเป็นสิ่งสําคัญโดยเฉพาะกษัตริย์จึงพูดกันติดปากว่ากษัตรติย์ตรัสแล้วไม่คืนคําคนมักพูดเท็จคนอื่นขาดความเชื่อถือพอถึงข่าวสําคัญจะต้องพูดจริงขึ้นมาบ้างคนอื่นก็ไม่เชื่อถือได้รับอันตรายเอง อย่างเรื่องหมาป่ากับเด็กเลี้ยงแกะในทางศาสนาท่านว่าสัจจะเป็นคาไม่ตายจัดจังเวอมตาวาจาเอสัทโมสนันตโนข้อนี้เป็นธรรมเก่าคนพูดจริงนำประโยชน์มาให้ตนและคนทั้งหลายนำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสนำคนที่เลื่อมใสยอยู่แล้วให้เลื่อมใส ย, ยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างเช่นอธิมุตตะสามเณรผู้ให้สัจจะกับโจรไว้แล้วก็รักษาสัจจะนั่น ไม่ได้ห่วงใยในชีวิตของตนและมารดาจนโจรเกิดความเลื่อมใสอีกท่านหนึ่งคือมหาสุตสมบัณฑิตผู้ทรงให้ปาิญญาณกับโจรปริศาสแล้วรักษาสัญญานั้นไม่ได้ห่วงแหนรักษาชีวิตเลยถ้าเหล่านั้นยอมสละชีวิตเพื่อรักษาคําสัตในที่สุดทําให้โจรปริศาสเลื่อมใสได้บัณฑิตย่ยอมถือว่าการนิ่งเสียไม่ยอมพูดประเสริฐกว่าการพูดเท็จ <Yes. S 1> เพื่ออักรานประโยชน์ผู้อื่น เบียดเบียนผู้อื่นคำสัตว์ท่านถือเป็นคำสุภาษิตอย่างหนึ่งดังที่พระราศาสดาทรงสแสดงไว้ในสุภาษิตสูตรปัญจการนิบาตอังคุตตรนิกายว่าวาจาประกอบด้วยองค์ห้าเป็นสุภาษิตคือหนึ่งพูดถูกการสองพูดจริงสามพูดแพร่ออนหวานสี่พูดมีประโยชน์ห้าพูดด้วยจิตเมตตาส่วนในสุภาษิตสูตรตธิวัคแห่งสุดนิบาต ทรงแสดงลักษณะแห่งคําสุภาษิตสี่ 4. คือหนึ่งพูดคําดีสองพูดเป็นธรรมสามพูดคํำน่ารักน่าพอใจสี่พูดคําสัตว์จะเห็นว่าทั้งสองแห่งขาดคําสัตว์ไม่ได้เพราะคําสัตว์เป็นลักษณะสําคัญของวาจาสุภาษิตคําเช่นนั้นไม่ทําตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนและปราดบางท่านกล่าวว่าคนพูดเท็จนั้นเป็นคนสิ้นคิดคือไม่สามารถเอาความจริงมาพูดได้เป็นคนขลาด เพราะไม่กล้าพูดความจริงอาจจะมีคนชอบพูดเท็จแย้งว่าคนพูดความจริงต่างหากเล่าเป็นคนซึ่งคิดเพราะไม่สามารถหาความเทม็จมาพูดได้ธรรมดาความจริงเป็นสิ่งมีอยู่แล้วในชีวิตประจําวันไม่ต้องเที่ยวสแสวงหาแต่ความเท็จจําเป็นต้องเสกสรรตั้งแต่งขึ้นใครจะพูดความจริงก็พูดได้ทันทีตามที่รู้ที่เห็นเพราะฉะนั้นพวกเด็กๆ ก, ก็พูดความจริงได้แต่คนพูดเท็จเก่งจะต้องเป็นคนฉลาดมากเพราะสามารถพูดเรื่องไม่จริงให้คนเห็นว่าจริงได้ อย่างไรก็ตามคนมักพูดเท็จนั้นจะต้องมีความจำดีจึงจะเท็จไปได้ตลอดคือจะต้องคอยจดคอยจำว่าเคยเท็จไปอย่างไรบ้างไมิฉะนั้นจะต้องถูกจับได้อย่างแน่นอนเมื่อมีผู้จับได้บ่อยเข้าความเคารพเชื่อถือในบุคคล น, นั้นก็หมดไปเหรืออยู่แต่ความรังเกียจเหยียดหยามหัวเราะเยาะเล่นจะพูดจาไรจริงจลงแทกครั้งหนึ่งคนทั้งหลายก็เห็นเป็นเท็จไปอีกตกลงเสียคนไปทั้งชาติส่วนข้อ ว, ว่าผู้มีประโลมอันข้ามสแสดงนั้น คือผู้ไม่เชื่อปรากไมันเชื่อว่าชาติหน้าจะมีจริงไม่เอาใจใส่ต่อเรื่องชาติหน้าเข้าทนองว่าขอมีความสุขสบายในชาตินี้ชาติหน้าจะเป็นอย่างไรก็ช่างมันอัธกถาแห่งพระคาถานี้แก่ว่าผู้มีปราลกอันปล่อยเสแล้ววิสัทธ์ปรโรักษะตีความว่ า, วาไม่เอาใจใส่ต่อปราลกคือโลกหน้าเทียบคาว่าวิสัทธสมาจาโร คือผู้มีความประพฤติอันปล่อยแล้วไม่เอาใจใส่ต่อความประพฤติไม่มีมัญญาอันดีงามปล่อยกิริยาวาจาตามสบายเป็นคําที่พระพุทธเจ้าใช้เรียกพวกนักบวชนอกพุทธศาสนาบางพวกเช่นพวกเปลื้อกายไว้ผมยาวไม่สักไม่ล้างเช็ดอุจจาระด้วยมือเป็นต้นนักบวชพวกนี้เรียกว่าเป็นผู้มีสมาจานอันปล่อยเสแล้วฉบับอังกฤษของดรราชกิษนันแปลคํา วิตินะประโรกษาว่าสก็ p ปส s at another world คือย่อเยอเ ย, ยหรือหัวรเราะย่ะโลกอื่นรวงกว่าว่าไม่เชื่อโลกอื่นใครเชื่อเข้าคนพวกนั้นก็หัวรเราะย่ะเอาว่าเป็นคนโง่ยอมเชื่อสิ่งที่มองไม่เห็นไม่กล้าทาความช่อบางอย่างเพราะเกรงโทษในปรโลกเป็นการเปิดโอกาสให้คนอื่นเอารัดเอาเปรียบในสมัยพระเจ้า ก, ก็คงจะมีนักคิดพวกนี้เหมือนกันสมัยนี้เรียกนักคิดพวกนี้ว่าพวก จาระวักเป็นพวกวัตถุนิยมบรรดาปรัชญาอินเดียนั้นมีจาระว่าสายเดียวเท่านั้นที่ได้รับนามว่าเป็นปรัชญาวัตถุนิยมคือว่าวัตถุอย่างเดียวเท่านั้นจริงเรื่องจิตเรื่องวิญญาณเป็นเรื่องเหลวไหลความรู้สึกนึกคิดต่างๆเป็นผลของวัตถุหมายความว่ามันมีขึ้นเพราะมีกายจิตหรือวิญญาณนั้นว่าโดยตัวของมันเองแล้วไม่มีมนุษย์ศาตร์จึงเป็นวัตถุที่ประกอบขึ้นจากธาตุคือดินน้ำลมไฟ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 เพราะฉะนั้นเจรวาดจึงเห็นว่าเมื่อยังมีชีวิตอยู่จงสนุกสนานเพลิดเพลินให้เต็มที่มีชีวิตอยู่ต้องสุขสบายเพราะเมื่อร่างกายกลายเป็นเท่าฐานแล้วจะกลับมาอีกไม่ได้เจรวาดเห็นว่าความสุขนั้นแม้จะยังคลุกเคล้าอยู่ด้วยความทุกข์แต่มันก็เป็นสิ่งดีงามประการเดียวในชีวิตนี้เพราะฉะนั้นจึงควรจับฉวยเอาไว้การยอมทนทุกข์ในชาตินี้เพื่อความสุขในชาติหน้านั้นเป็นความเขาาอย่างยิ่ง ไม่มีคนฉลาดคนใดยอมทิ้งเข้าเปลือกเพราะเห็นว่ามันมีเปลือกทิ้งปลาเพราะเห็นมันมีก้างเป็นต้นความสุขและความทุกข์จอมคลุกเคล้ากันไปสุขโดยส่วนเดียวนั้นไม่มีทางที่จะหวังได้จะระวาดยังให้คำคไมไว้ด้วยว่านกพิราบในวันนี้ดีกว่า น, นกอยู่ในวันพรุ่งนี้คือให้สแสวงหาความสุขเสียในวันนี้ชาตินี้เท่าที่สามารถจะหาได้อุดมคติของชีวิตคือความสุขความพอใจ แต่พอมาถึงปัญหาว่าควรจะสแสวงหาความสุขอย่างไรชาราวาก็ยอมรับผลกันว่าการประกอบความดีเป็นทางนําไปสู่ความสุขจาราวากยังยอมรบับศีลธรรมสาคัของโลกอยู่ส่วนพระพุทธศาสนามีทัศนะที่ไม่ลงรอยกับจราวากหลายประการเช่นพระพุทธศาสนาสอนให้ถือธรรมเป็นสิ่งสําคัญที่สุดแม้จะต้องประสบทุกข์เพราะการประพฤติธรรมก็ขอให้ยอมให้ยอมชละทุกอย่างเพื่อทำ ดังพระพุทธภาษิตว่าทนัะจเจอังคาวรสะเหตุอังคังจเชชีวิตังรักขมาโนอังกังทนะนงชีวิตันจ่าปิสัปบังจเจนโรธรมมะนรสรันโตแปลว่าบุคคลพึงยอมสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะพึงยอมสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตเมื่อเราเลิกถึงธรรม พึ่งยอมสละทั้งอาัยาวะทรัพย์และชีวิตรวมความว่าให้ยอมสะทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตเพื่อรักษาธรรมไว้จะกล่าวยายถึงความสุขความเพลิดเพลินเล็กๆน้อยๆอยจะระวาดมัเชื่อโลกหน้าปฏิเสธเรื่องการทบุญอุทิศให้ผู้ตายแต่พระพุทธศาสนายอมรับว่าโลกหน้ามีอยู่จริงการทบุญอุทิศให้ผู้ตายมีผลจริงนรกสวรรค์มีจริง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 เพื่อความสุขอันไพ่บูร์ยาวนานในโลกหน้าเหมือนยอมเสียภาชนะดินเพื่อได้ภาชนะทองคำเจรวาดคินว่าวิญญาณหรือจิตเป็นผลผลิตของร่างกายแต่พระพุทธศาสน า, าเห็นว่ากายเป็นผลมาจากวิญญาณคือวิญญาณเป็นผู้สร้า ง, งร่างกายตามหลักของปัจจาัการที่ว่าวิญญาณปัจจัานามรูปังมูลิตเปิดนามรูปมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยของมูลิต จิตและกายเป็นคนละอย่างแต่อาศัยกันเพราะพุทธศาสนาทั้งสญญาวาสและวิญญาณวาสเป็นจิตตนิยมเห็นว่าจิตมีความสําคัญกว่ากายทำทั้หลายนีจิตเป็นหัวหน้าสําคัญที่จิตตรงกันข้ามกับชะว่างทีเดียวบุคคลผู้ไม่เชื่อโลกหน้าทําบาปได้ง่ายกว่าผู้เชื่อเพราะเห็นว่าเท้าตัวรอดได้ในโลกนี้ก็เป็นอันปลอดภยัยแต่คนเชื่อโลกหน้าแม้จะทําชั่วในที่รับก็เกรงภัยในโลกหน้า จึงไม่กล้าทําถ้าทําก็ทําอย่างหวั่นวันต่อผลในโลกหน้าเมื่อทําความดีก็มีความมั่นคงกว่าคนไม่เชื่อโลกหน้าเพราะมีความหวังว่าหากกรรมนั้นยังให้ผลในโลกนี้ก็จะให้ผลในโลกหน้าด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าคนไม่มีสัจจะมาพูดเท็จไม่เชื่อประโลกจะไม่ทําบาปเป็นไม่มีเรื่องนี้พระศสดัตรัสขณะประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารบนางจินจมาณริกา มีเรื่องย่อดดังนี้ในปฐมโพธิการคือระยะต้นแห่งการประกาศศาสนาของพระศาสดาเมื่อพระสาวกของพระองค์มีมากประมาณนี้ได้เมื่อเทวดาและมนุษย์เป็นอันมากอย่างลงในอริยภูมิและเมื่อพระคุณสมุทัยของพระศาสดากําลังแผ่ไปศาลอยู่นั่นเองลาบสาการะและความนับถือเป็นอันมากเกิดขึ้นแก่พระศาสดาและพระสาวก พวกเดรัธีนิโครทั้งหลายเป็นเช่นเดียวกับแสงหิ่งห้อยท่ามกลางแสงอาทิตย์เป็นผู้เสื่อมจาก์ลาบสการะเพราะไม่มีใครนับถือพวกเดรัธีเหล่านั้นยืนอยู่กลางถนนแล้วประกาศว่าพระโคดมทธนั้นหรือเป็นพระพเจา้าพวกเราก็เป็นพระพธเจ้าเหมือนกันทานที่ให้แก่พระโคดมทธนั้นหรือมีผลมากทานที่ให้แก่พวกเราก็มีผลมากเหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงให้จงทําแกเราบ้าน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 ท่านว่าราศีออกจากกายของเธอนางเลื่อมใสเป็นพวกเดียวกันกับเดรัจฉีพวกนั้นวันหนึ่งขณะที่จินจมานวิกาปริภาชิกาไปหาพวกเดรัจฉีที่อารามทำความเคารพแล้วยืนอยู่ที่เคยมาเดรัจฉีย่อมแสดงอาการยินดีต้อนรับเมื่อนางมาแต่วันนั้นทุกคนเฉยไปหมดนางพูดว่าพระคุณเจ้าดิฉันว่าอย่างนี้ถึงสามครั้งแต่พวกเดรัจฉีก็ยังคงเฉยอย่างเดิม นางคิดว่าเธออาจมีความผิดอะไรสักอย่างหนึ่งจึงถามว่าดิฉันมีความผิดอะไรหรือดิฉันได้ทําอะไรให้ไม่ในที่พอใจของพระคุณเจ้าหรือจึงพากันนิ่งไปหมดไม่ยอมพูดกับดิฉันเยรธีจึงกล่าวว่าน้องหญิงเจ้าไม่ชอบ ด, ดอกหรือว่าเวลานี้ลาบสักการะของเราเสื่อหมดแล้วเพราะใครเพราะพระสมณโคดมคนเดียวเจ้าไม่รู้สึกเจ็บร้อนแทนเราบ้างเลยหรือกิน จ, จมานวิกาตอบว่า ความทุกข์ของพระกุณเจ้าทั้งหลายก็เหมือนความทุกข์ของตัวดิฉันเองว่าเป็นหน้าที่ของดิฉันเถิดจะจัดการให้เป็นที่เรียบร้อยทําลาบสการะให้เกิดขึ้นแก่พระกุณเจ้าทั้งหลายดังเดิมดังนี้แล้วหลีกไปนางแต่งกายอย่างดีผอมผ้าสีสวยเมือนสีแห่งปีตแมลงข้อมทองถือของหอมและดอกไม้มุ่งหน้าสุวัดเชเทวันในเวลาที่ชาวเมืองสาวพรถีฟังธรรมแล้วกลับออกมานางเดินสวนเข้าไป เมื่อมหาชนถามว่าจะไปไหนเวลานี้นางตอบว่าธุระอะไรของพวกท่านในการไปหรือการมาของข้าพเจ้าดังนี้แล้วเดินผ่านวัดเชตวันไปพักอยู่ที่วัดของพวกเทวรทีใกล้พระวิหารเชตวันนั่นเองตอนเช้าเมื่ออุบาสุบาสิกาชาลนอรสาวัตถีออกจากนครไปวัดเชตวันเพื่อถวายบังคมพระศา ส, สดานางกินจมานวิกาทำทีเหมือนว่าตนพักอยู่ในวัดเชตวันทั้งคืน โดยการเดินสวนออกมาเมื่อวาสกถามว่าท่านพักอยู่ที่ไหนนางตอบว่าธุระอะไรของพวกท่านกับที่พักของข้าพเจ้านางทําอยู่อย่างนี้ประมาณสองเดือนเมื่อคนทั้งหลายถามอีกจึงตอบว่าข้าพเจ้าพักอยู่ในพระคันธกุลีของพระสมมัมณพุรุมในวัดเชตวันนั่นเองผุุ้ชนทั้งหลายสงสัยกันมากว่าข้อความที่นางจินจามาวิกากล่าวนั้นเป็นความจริงหรือ no ส่วนพระอริยบุคลไม่มีใครเชื่อเลยร่วงไปสามสี่เดือนนางเอาผ้าพันท้องให้หนาขึ้นเพื่อแสดงว่ามีคันได้คนทั้งหลายเข้าใจว่านางตั้งคันเพราะร่วมอภิรมกับพระโคลมปรมศาสร์สดาที่พระคันธกดีในวัดเชตวันพอถึงเดือนที่แปดที่เก้านางเอาไม้กลมๆผูกไว้ที่ท้องเอาผ้าห่มทับไว้ให้คนเอาไม้คานโคทุบหลังมือหลังเท้าของจนให้บวมขึ้น ให้มีอวิวาต่างๆบอบช้ำล่อรวงคนทั้งหลายให้เข้าใจว่าตรมีคันแก่จวนคลอดเต็มทีแล้วเย็นวันหนึ่งขณะที่พระศาสดากำลังแสดงธรรมอยู่ท่ามกลางพุทธบริษัทในธรรมสภานางได้ขับยืนตรงพระพักพระตถาคตเจ้าแล้วกล่าวว่ามหาสมณะพระองค์ดีแต่แสดงธรรมแก่มหาชนเท่านั้นกระแสเสียงของพระองค์ไพเราะยิ่งนักพระอดของพระองค์ดูสนิทดี แต่พระองค์ไม่ได้สนพระไทยในหม่อมฉันเลยหม่อมฉันซึ่งตั้งครันครบกำหนดคลอดแล้วครันนี้อาศัยพระองค์ตั้งขึ้นพระองค์ให้เอาพระไทยสายต่อเครื่องบริหารคันเลยเมื่อไม่ทําเองก็ควรตรัสบอกสานุสิทธิคนใดคนหนึ่งเช่นนางวิสาขาหรืออนาถอินดิกะหรือพระเจ้าประสเสนที่โกศลให้ช่วยเหลือในการนี้พระองค์ทรงรู้แต่การอภิรมย์อย่างเดียวแต่ไม่ทรงสนพระไทยในเรื่องการคลอดของหม่อมฉันเลย ความพยายามของนางกระนึงจับก้อนโคดขึ้นปามมณฑลพระจันทร์พระธถาคตเจ้าหยุดแสดงธรรมครู่หนึ่งเมื่อนางพูดจบพระองค์ตรัสด้วยกระแสเสียงอันเรียกว่าน้องหญิงเรื่องนี้เราสองคนเท่านั้นที่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงนางกินจมานวิกาคงโกรธมากเป็นด่าพระธถาคตเจ้าจนเชือกขาดตานานเล่าว่าเมื่อพระศราสดาตรัสเช่นนั้นแล้ว รอนถึงท้าสะกะเทวราชสเสด็จมาพร้อมด้วยเทพบุตรสีองค์เทพบุตรแปลงเป็นลูกหนูเข้าไปกัดเชือกที่นางผูกไว้จนเชือกขาดผ้าและท่อนไม้ก็หล่นลงมาผ้าและท่อนไม้กลมเกลี้ยงหล่นลงมาจากท้อของนางมหาชนได้เห็นกับตาเชนั้นก็แช่งด่านางกินจมามวิกาว่าเป็นหญิงกาลกันมีใส่ร้ายพระสนมาสัมัธเจ้าเขาเหล่านั้นโทมน้ำลายใส่บ้างกว้างในก้อนหินและท่อนไม้บ้างฉุดกระชากออกจากวัดเชตทวัน พอรับครองพระเนตรของพระศาสดาไปเท่านั้นจินจมานวิกาก็ถูกแผ่นินสุบไปเกิดในอเวจีมหานรกวันรุ่งขึ้นภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาถึงเรื่องที่นางจินจมานวิกาใส่ร้ายพระพุทธเจ้าและถูกแผนดินสุบพระศาสดาเสด็จมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายแม้ในการก่อนนางจินจมานวิกานี้ก็เคยหาเรื่องใส่ร้ายเราและถึงความพินาศแลหมุนกันดังนี้แล้วตรัสใจความสําคัญ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 ปฏิพัทในพระประทุมกุมาร น, นั้นจึงเย้าวยวนชวนเชิญให้ประกอบการเมสมิจฉาจารกับนางแต่พระโพธิสัตว์ไม่ทรงยินยอมไม่ยอมตามอย่างนั้นด้วยเห็นเป็นเรื่องน่าบาัดสีนางจิงแกล้งทําอาการว่าเป็นไข้และมีอาการแห่งผู้ตั้งคันเมื่อพระราชาตรัสถางข้อใส่ความว่าพระประทุมกุมารท่าโชโอรถของพระองค์ทําให้หม่อมฉันมีอาการอันแปลกนี้พระราชาทรงกลิ่ จึงให้ทิ้งพระโพธิสัตว์ลงอย่างเหวที่ทิ้งโจรเทวดาผู้สิงสถิตยอยู่ที่ภูเขาได้รับพระโพธิสัตว์ไว้ให้ประดิษฐานอยู่ที่ผังพานของพญานาคราชพญานาคราชนำท่านไปสู่นาคพิภพบแบ่งราชสมบัติให้ครองครึ่งหนึ่งพระโพธิสัตว์อยู่ในนาคพิภพปีหนึ่งอยากจะโบชจึงไปสู่ฮิมวันประเทศโบสถได้ฌานและอภิญญาต่อมา ทางไทยผู้หนึ่งมาพบพระโพธิสัตว์เข้าจำได้จึงปรับไปกราบทูลพระราชาพระราชาเสด็จมาเฝ้าทรงทราบเพื่อความเป็นมาทั้งปวงแล้วทรงเชื้อเชิญให้ไปครองราชสมบัติแต่ท่านทรงปฏิเสธและขอร้องให้พระราชาครองแผ่นดินโดยธรรมอย่าได้มีอคติพระราชาเสด็จกลับพระนครให้จับพระมเหสีผู้กลั่นแกล้งไส่ร้ายพระโพธิสัตว์นั้นไปทิ้งในเหว ท, ที่ทิ้งโจรแล้วครองแผ่นดินโดยธรรม พระศาสดาทรงประชุมชาดกว่าหญิงผู้นั้นในการนั้นได้มาเป็นนางจินจมานวิกาส่วนปทุมกุมารคือพระองค์เองพระตถาคตเจ้าตรัสในที่สุดว่าบุคคลผู้หลวงธรรมอันเอกเสแล้วมีปกติพูดเท็จมีปรโรกอันข้ามเส็แล้วจะไม่ทำบาปเป็นไม่มีมีนัยยะดังพรนานามมาแล้วแต่ตน